สนิสกิยกันว่าด้วยอาบัตินิสกิยปาจิตตีสาสิบสิกขาบทในที่นี้มีเพียงสิบสองสิกขาบทอีกส8บสิกขาบทนำมาจากของภิกษุปัตตวักวักว่าด้วยบาทมีสิบสิกขาบทสิกขาบทที่หนึ่งปัตตววักนิสกิยกันห้ามสะสมบาดนางภิกษุณีที่เป็นคณะเดียวกับหกรูป สะสมบาดไว้มากเป็นที่ตีเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทว่านางภิกษุณีสะสมบาทต้องนิสักิียาปาจิตตีบาทที่นับว่าสะสมคือนอกจากที่ใช้ประจำหนึ่งลูกและนอกจากที่ทำวิกัปหรือทำให้เป็นสองเจ้าของคืออนุญาตให้ผู้อื่นมีสิทธิด้วยสิกขาบทที่สองปัตตวัค นิสักคยะกันห้ามอธิษฐานจีวร น, นอกการและแจกจ่ายชาวบ้านเห็นนางภิกษุณีกลุ่มหนึ่งมีจีวรเก่าแต่ประพฤติตนสำรวมดีจึงเลื่อมใสถวายจีวร น, นอกการแก่ภิกษุณีสงนางถุลนันนันทาภิกษุณีอ้างว่าตนกลานกถินแล้วจึงอธิษฐานเป็นจีวรในการให้แจกจ่ายคือเมื่อทำวิธีนี้ จีวรก็คงตกเป็นของนางทุลนันธาภิกษุณีในฐานะเป็นผู้มีพันษามากเจ้าของจีวรถามนางภิกษุณีที่ตนประสงค์จะให้ได้รับพอทราบว่าไม่ได้รับเพราะนางทุลนันธาภิกษุณีทำไปอย่างนั้นจึงติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบจึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามอธิษฐานจีวร น, นอกการเป็นจีวรในการแล้วแจกจ่าย ทรงปรับอาบัตินิสักิยะปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ล่วงละเมิดสิกขาบทที่สามปัตตวัตนิสักิยะกันห้ามชิงจีวรคืนเมื่อแลกเปลี่ยนกันแล้วนางธุลนันนันทาภิกษุณีแลกจีวรกับภิกษุณีรูปอื่นแล้วภายหลังชวนแลกคืนตามเดิมพร้อมทั้งชิงเอาทั้งทั้งที่ทอีกฝ่ายหนึ่ง ยังไม่ทันตกลงประการใดพระภูมิพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตินิสักยะปาจิตตีแกนางภิกษุณีผู้ชิงคืนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นชิงสิกขาบทที่สี่ปัตตวัคนิสักยะกันห้ามขอของอย่างหนึ่งแล้วขออย่างอื่นอีกอุบาสกคนหนึ่ง ถามนางทุลนันนาาภิกษุณีว่าต้องการอะไรนางตอบว่าต้องการเนยใสเขาจึงซื้อเนอยใสมาถวายนางกลับบอกว่าไม่ต้องการเนยใสแต่ต้องการน้ำมันเขาจึงเอาเนยใสไปคืนจะขอน้ำมันมาแทนแต่พ่อค้าไม่ยอมให้คืนเขาจึงตดเตียนนางทุลนันนาาภิกษุณีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ห้ามขอของอย่างหนึ่งแล้วขอของอย่างอื่นอีกทรงปรับอาบัตินิสักคิยปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้ประพฤติเช่นนั้นสิกขาบทที่ห้าปตะวักในนิสักคียากันห้ามสั่งซื้อของกลับกรอบอุบาศกผู้หนึ่งเอาเงินหนึ่งกหาปณะนะปากไว้ที่พ่อค้าในตลาดแล้วบอกกับนางทุนลนันธาภิกษุณีว่า ต้องการอะไรในราคานั้นให้เป็นนำมานางใช้นางศิกขามานาสามนเณรีที่เตรียมตัวจะเป็นนางภิกษุณีตามระยะการกำหนดนางใช้นางสิกขามานาผู้หนึ่งให้เป็นนำน้ำมันมาราคาหนึ่งกะหาปณะนะครั้นนำมาแล้วสั่งเปลี่ยนใหม่ว่าไม่ต้องการน้ำมันแต่ต้องการเนยใสนางศิกขามานานำน้ำมันไปคืนจะขอเนอยใสมา พ่อค้าไม่ยอมรับคืนนางสิกขามานาก็ยืนร้องไห้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตินิสักคยะปาจิตตีแก่นางภิกษุณีผู้สั่งซื้อของกลับกล อ, อกเช่นนั้นสิกขาบทที่หปัตตวัคนิสักคยะกันห้ามใจของผิดวัตถุประสงค์เดิม พวกอุบาสกเรี่ยายกันเพื่อทำจีวรถวายภิกษุณีสงฆ์และเก็บของไว้หน้าบ้านของพ่อค้าผ้าคนหนึ่งเข้าไปหานางภิกษุณีทั้งหลายสั่งว่าถ้าต้องการจีวรให้ไปรับมาจัดแบ่งกันนางภิกษุณีทั้งหลายเอาผ้านั้นไปจ่ายแลกเพสัชมาบริโภคเสียเองเขารู้เข้าก็พากันติเตียน พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตินิสักยะปาจิตตีแก่นางภิกษุณีที่เอาของที่เขาประสงค์เจาะจงเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งถวายแก่สงไว้ไปจ่ายแลกของอื่นสิกขาบทที่เจ็ปัตตวักนิสักยะกันห้ามขอของมาจ่ายแลกของอื่นพวกอุบาศก เรียรายกันเพื่อทําจีวรถวายภิกษุณีสงฆ์แล้วเก็บของไว้ที่บ้านของพ่อค้าผ้าคนหนึ่งเข้าไปหานางภิกษุณีทั้งหลายสั่งว่าถ้าต้องการจีวรก็ให้ไปรับมาจัดแบ่งกันนางภิกษุณีขอผ้านั้นด้วยตนแล้วเอาบริขารนั้นไปจ่ายแลกเพสัตมาบริโภคเขารู้เข้าก็าพากันติดเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบท ปรับอาบัตินิสักียาปาจิตตีแกนางภิกษุณีที่เอาของที่เขาประสงค์เจาะจงเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งถวายแก่สงฆ์ซึ่งตนขอมาเองไปจ่ายแลกของอื่นสิกขาบทที่8ปดปัตตว์นิสักยกันห้ามจ่ายของของคณะแลกของอื่นชนกลุ่มหนึ่ง เรื่อยรายกันเพื่อทำข้าวยาคูถวายภิกษุณีทั้งหลายในที่นี้ไม่ใช่คำว่าสงฆ์ด้วยมุ่งหมายหมู่นางภิกษุณีที่ลำบากด้วยข้าวยาคูแล้วฝากของไว้ที่บ้านพ่อค้าคนหนึ่งเข้าไปหานางภิกษุณีทั้งหลายสั่งว่าถ้าต้องการข้าวยาคูให้ไปเอาเข้าวสารมาต้มเป็นข้าวยาคูบริโภค นางภิกษุณีทั้งหลายเอาของนั้นจ่ายแลกเภสัตมาบริโภคเขาทราบเข้าพากันติเตียนพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิขาบทปรับอาบัตินิสักคียาปาจิตตีแกนางภิกษุณีที่เอาของที่เขาประสงค์เจาะจงเพื่อประโยชน์อย่างหนึ่งถวายไว้แก่คณะนางภิกษุณีมาจ่ายแลกของอย่างอื่น สำหรับความต่างกันของสิกขาบทนี้กับสิกขาบทที่หที่7อยู่ที่คณะกับสงฆ์คณะหมายเอาสองถึงสมรูปส่วนสงฆ์หมายเอาสี่รูปขึ้นไปสิกขาบทที่9ปัตตวัคนิสัยากันห้ามขอของของคณะมาจ่ายแลกของอื่นเรื่องเช่นเดียวกับสิกขาบทที่8 เป็นนางภิกษุณีขอก่อนแล้วจึงจ่ายแลกของทํานองเดียวกับสิกขาบทที่7เป็นแต่สิกขาบทนี้เขาถวายแก่คณะสิกขาบทที่10ปัตตวัคนิสักขียกันห้ามขอของของบุคคลมาจ่ายแลกของอื่นเรื่องทํานองเดียวกับสิกขาบทที่9เป็นแต่เขาถวายของเป็นส่วนบุคคลสําหรับค่าทําความสะอาดบริเวณ แต่ผู้รับเอามาจ่ายแลกเพศั์จีวรวักวักว่าด้วยจีวรวสิกขาบทที่หนึ่งจีวรวั์นิสักขิยากันห้ามขอผ้าห่มหนาวเกินราคา16หกะหาปณะนะพระเจ้าเะเสณที่โศสนทรงเริ่มใสในธรรมเทศนาของนางถุลนันทาภิกษุณี ออกปากให้ขอของได้นางจึงขอผ้ากำพลราคาแพงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอาบัตินิสักยะปาจิตตีแก่นางภิกษุที่ขอหรือให้เข้าจ่ายราคาเกินสี่กังสะหรือสิบหกหาปณะสนะิกขาบทที่สองจีวรวรนิสักยะกันห้ามขอผ้า ห, มห่มฤดูร้อนราคาเกินสิบกหาปณะนะ พระเจ้าประเสริฐที่โกศลทรงเลื่อมใสในธรรมเทศนาของนางถุรนันทาภิกษุณีตรัสให้ขอสิ่งที่ต้องการได้นางขอภาพเหลือกไม้ก็ถวายภาพเหลือกไม้ตามประสงค์มนุษย์ทั้งหลายผากันติเตียนว่ามากๆเข้าใจว่าจะขอผ้าที่ทรงห่มอยู่ซึ่งมีราคาแพงพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงบัญญัติสิกขาบทปรับอบาบัตินิสกิยาปาจิตตี แกนางภิกษุณีเมื่อขอผ้า ห, มห่มฤดูร้อนขอผ้าเกินราคาสองกังสะครึ่งคือสิบกหาปณะนะหมายเหตุมีข้อน่าสังเกตอยู่สองแห่งคือผ้า ห, มห่มฤดูหนาวใช้คำว่าผ้าห่มหนักครุปา ป, ป, ปุระนังผ้า ห, มห่มฤดูร้อนใช้คำว่าผ้าห่มเบาละหุปา ป, ปุระนังคำว่าขอแปลหักจากคำว่า ทำให้เขาจ่ายที่มาจากบาลีว่าเจตาเปยยะสำหรับนิสักขิยกัรที่แสดงไว้นี้มีเพียงส2สองสิกขาบททั้งๆั ท, ง ท, งที่กล่าวมามีสามสิสิกขาบทเพราะนำของภิกษุมาใช้ส8บปดสิกขาบทกล่าวอีกอย่างหนึ่งนิสักขิยาปาจิตตีของภิกษุส0สิบกขาบทนั้นเอาออกสักสิบสองนำมาใช้สำหรับนางภิกษุณีได้สปดสิกขาบท ที่เอาออก12คือสิกขาบทที่4ที่หแห่งจีวรวัตสิกขาบทที่1 7ถึงแห่งโกสิยาวัตสิกขาบทที่1 8ถึงแและ9แห่งปัตตวัค์